พุธธ ร, รมะด้านปฏิบัติสูฟังด้านปริยัติก็มาศึกษาลงตาอยู่ป่ากพูดถึงด้านปฏิบัติคือด้านการรักษาจิตใจของตัวพอธรรมะนี่อยู่ปริยัติก็ออกไปจากปฏิบัติ ธรรมะเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรง ป, รปฏิบัติมีปฏิบัติปฏิเวทปริยัติแต่สมัยมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจันเรียงเอาไว้เพราะสมัยก่อนพระองค์ปฏิบัติไปก่อนจนปฏิเวทคือรู้แจ้งในจิตในใจจึงมาบัญญัติเป็นปริยัติขึ้นแต่ก่อสมัยนั้น ปริยัติสตำหรับตำลาก็ไ ม, ม่มีผ่านมาต่างหลายร้อยปีถึงค่อยมีตำหรับตำลาเกิดขึ้นเพราะนักศึกษาสแสวงหาธรรมะก็ไปฟังโดยตัวเองไม่มีเทปเหมือนสมัยนี้ไปฟังโดยหูพิจารณาโดยใจท่า <c oughs> นฟังไปแล้วก็นำไปไขขิดพิจารณาฝึกหัดปฏิบัติใจของตัว ใส่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเ <c oughs> มื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตใจที่ถูกสติปัญญารักษาค่อยละเอียดไปค่อยละเอียดไปพ้นที่สุดก็หมดจากความขัดข้องเศาษมองต่างๆทางาศาสนาถือว่าเป็นพระอรหรันต์โดอจิตใจของท่านหมดจดจากกิเลส แต่สมัยนี้มีปริยัติคือการศึกษาสำหรับตาลามาก่อนปฏิบัติปฏิเวทการปฏิบัติบางท่านบางคนเคยศึกษาปริยัติมาก็ไม่เคยไปปฏิบัติด้านจิตใจของตัวเลยจนกระทั่งวันตายเลยจนกระทั่งวันศึกถ้าเป็นภิกษุก็ดีไม่มีโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติ มีโอกาสแต่ไม่สนใจถือว่าได้ปริยัตก็เป็นเรื่องเพียงพอแต่การเรียนปริยัตการเข้าใจปริยัตถ้าไม่ไปฏิบัติจิตใจมันก็ไม่เกิดเห็นเป็นรู้อะไรในทางแจกไขให้จิตใจพ้องตัวเยือกเย็นสงบสุขหลบกลดหลงเคยมีอย่างไรปริยัตไม่สามารถที่จะเข้าไปกําจัด ขับไล่เรื่องโลกกวหลงออกไปได้ถ้าโลกกกนหลงยังมีอยู่จิตใจยังมัวเมาติดข้องกับเรื่องของโลกของกิเลสตัณหาปฏิเวทมันก็ไม่เกิดขึ้นมีเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทส่วนผู้ที่ท่านไม่ได้ศึกษาอย่างนั้นท่านมุง ออกปฏิบัติถ่ายเดียวก็ดูครูอาจารย์ทผ่นประพฤติปฏิบัติอย่างไรนอกจากนั้นท่านแนีสอนอย่างไรเราก็จําไปประพฤติปฏิบัติไม่ต้องไปจําเอาหมดทุกข้อทุกเกิดทงที่ท่านแนีสอนไปจําเอาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูกต้องกับอัจฉริยะใส่ของตัวนําไปกําหนดนําไปที่นิพเยานาะ นำไปรักษาใจของตัวเหมือนกับยาซึงจะมีมากขนาดไหนเราไม่จำเป็นที่จะไปซื้อเอาหมดโรคของเรามันถูกกับยาขนานใดเราก็ซื้อเอาแต่ยาขนานนั้นมารับทานหรือมาฉีดมาทาโรคในกายก็ค่อยหายไปนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกัน มีมากเพราะสัตว์มีจำนวนมากอัจฉยาสายใจคอของสัตว์ไม่เหมือนกันสันจึงบัญญัติปริยัตยิเอาไว้มากมายเผื่อว่าจะให้เพียงพอกับโลกของสัตว์ของกิเลสของสัตว์๋ยวเราทุกคนสากจะไปสนใจจำเอา ธรรมาทุกข้อทุกทกระทงที่พระพุทธเจ้าสอนเสียก่อนจึงจะลงมือปรปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีวันเว ล, ลาที่จะได้ปฏิบัติบางทีอาจจะตายไปก่อนไม่รู้ไม่เห็นในอาจในทมได้ทางปฏิบัติพอครูอาจารย์่ถนนีสอนไปก็ตั้งใจกำหนดเอา สิ่งใดสิ่งหนึ่งนำไปพีนิ้ที่เจนาศึกษาปฏิบัติจิตใจก็ค่อยสงบสงัดจิตใจก็ค่อยเย็นค่อยสบายนี่หมายถึงผู้ที่นำธรรมะไปรักษาใจถ้าคนไม่นำธรรมะไปรักษาใจถึงธรรมะจะมีมากมายขนาดไหนธรรมะก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เหมือนคนไข้ไม่ทานยายาจะมีมากขนาดไหน โรคภายในกายกว่าไหมเดี๋ยวหายไปได้แต่นั้นยาจริงเป็นเหลืองสำคัญสำหรับโรคจะแก้ไขโรคให้หายให้สบายนี่ธรรมะกอทํานองเดียวกันพวกเราท่านเป็นโรคคือโรคกิเลสตัณหาเราจำเป็นจะต้องนำธรรมะมารักษาโรคของคน มันก็มีหลายโรคตุวยกันแต่เป็นโรคตาจะเอายาโรคท้องมารักษามันก็ไปหายเป็นโรคท้องจะเอายาใส่ตาหยอดหูหยอดจมูกมาใส่มันก็ไปหายโอกาสระยะเวลาจิตใจของพวกเราท่านที่เป็นโรคประเพณใดเราก็จะต้องนําธรรมะซึ่งเป็น่ายฝึกของ โรคชนิดนั้นมาแจกไขโรคของใจมันมีหลายอย่างถ้าโรคเกิดขึ้นก็เป็นอย่างโรคอันหนึ่งโกรธเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งหลงเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งราคาตันหาเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งประมาทมัวเมาเกิดขึ้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่ง แต่และโรคยาของโมพุทธเจ้าธรรมะของโมพุทธเจ้ามีพอที่จะรักษาถ่าฉลาดนำมาสอนใจของตัวไม่อย่างนั้นมีแต่ยาแต่ไม่เน้นนำมารักษาตัวของตัวยานั้นก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรให้ยาที่จะเกิดประโยชน์ได้เพราะเพราะอาศัยเรานำมารักษา ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเสงจะแบกคำพีถ่วมศีรษะรวนแต่คำพีธรรมะแต่ถ้าหากเราไม่มาประพฤติปฏิบัติคำพีก็เป็นคำพีอยู่อย่างนั้นโรบโกวดหลงภายในจิตในใจก็ไม่มีอะไรตกออกไปได้แต่นั้นเราต้องนำมารักษามาประพฤติปฏิบัติจิตใจของมนุษย์ ทั่วไปถึงมาเกิดอยู่ในโลกอันนี้มันมีเกลียดปัญหาด้วยกันทางนั้นแค่ช <Okay. S 1> นิดใดที่จะให้ผลเจ่ใจในเวลาเราเป็นอยู่ตัวของเราเองเป็นผู้รู้ว่าจิตระยานี้มันคิดมันปรุงมันปิดมันข้องกับสิ่งนั้นัน้นแล้วจะแจกไข่้วยวิธีใดธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ แสดงไว้มีข้อใดที่จะแก้ไขเจเลียของใจเราติดติดข้องเราจะต้องสืบสาวอ่านตำราคือนำยาที่พระพุทธเจ้าบอกสอนมาแก้ไขเช่นราคาตัญหาเกิดขึ้น่านกานา่อหาพิจารณาอสุภะอสุพังคือความม่สวยม่งามของกาย อย่พิจารณาส่วนใดก็ได้เพราะเรื่องของกายทุกสิ่นทุกส่วนเป็นของที่ไม่สวยสดงดงามถ้าหากเราพิจารณาตามเป็นจริงของมันแต่อานาจของกิเลสราคะมันไม่ได้ถือว่ามันไม่สวยไม่งามมันเห็นอะไรเข่ามันก็ถือส่วนนั้นว่าหน้าจูบหน้ากอด <c oughs> เป็นของสวยของงามของสะอาด นี่คือเรื่องราคากัญหามันปรุงไปในด่านนั้นมันจึงเกิดความกำนัดจินดีพอใจกันถ้าเราพิเจนาในธรรมะคือยาที่จะแก้โรคราคากัญหาท่านเห็นพิเจนาเข้าไปภายในอย่าดูแต่ผิวเผินข้างนอกดูเข้าไปข้างในดูตัวของตัวเองกว่าทราบดูคนอื่นกว่าทราบเพราะก่อนอันนี้ ร่างกายอันนี้เต็มไปด้วยขี้ตั้งแต่พื้นเท้าจนตลอดทีรษะมันมีขี้เต็มตัวไม่มีอะไรที่จะสวยสดงดงามให้ไหลออกมาจากที่ไหนก็มีตั้งแต่ของศสกะปกะแสดงว่าก่อนอันนี้มันเป็นขี้ทั้งนั้นใส่ของดีของดีอะไร นี่คือการพิจารณาแกไขจิตใจข้องตัวตามเป็นจริงถ้ามันไม่เห็นก็พยายามพิจารณาแยกแยะออกถลกหนังออกเหลือแต่เนื้อเลือดมันจะไหลเยิ้มออกทั่วทั้งตัวคนที่ไม่มีหนังหุ่มห่อเอาไว้มันสวยสดงดงามที่ไหนเราเห็นแผลของคน เพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ชอบใจเพราะในแผลนั้นจะมีหนองมีน้าเหลืองไหลออกมาแต่เราเห็นในตาของเราถ้าหากเราฉลกุกหนังออกไปหมดมันจะเป็นอย่างไรคนนั้นนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะกำหน้ากําหนัดยินดีมีแต่จะกลัวไม่มี่ จ, จะชอบจะยินดีไม่ว่าตัวของตัวหรือคนอื่นถ้าหาก เอาหนังออกหมดมันเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องพิเจรนาถลกหนังออกออกจากนั้นเนื้อที่มันเกาะมันอาศัยอยู่ในกายเอาออกแต่ละสิ่แต่ละอันมากองเอาไว้เนื้อที่มันถือว่ามันสวยมันงามมันหนาหนัดยินดีนั้นมันเป็นอย่างไรให้เหลือแต่กระดูกใจเอ็นสี่ อยู่ในกายคนแบบนั้นเราชอบไหมยินดีไหมหรือไม่อย่างนั้นจะเอากระดูออกกองไว้เนื้อกองไว้ใส่พุงกองไว้แต่ละแห่งแต่ละหนีพิจาาดูว่าคนอยู่ที่ไหนสัตว์อยู่ที่ไหนทําไมใจมันไปลุ่มไปหลงไปติดไปข้องพิจาราให้ใจมันเห็นมันรู้ตามเป็นจริงเพื่อจะกํา จัดขับไล่ความกำหนัดของใจให้ออกไปนี่หมายถึงเมื่อใจมันเกิดราคาตัญหากำหนัดยินดีในรูปเราจะต้องพิจารณาทำนองนี้เพื่อจะแกไขใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้เกิดกำหนัดนอกจากนั้นถ้าหากมันลุ่มหลง มันมั ว, มวเมาเผ้าฟันไปต่างๆก็ให้พี่เจนะมรณะสติคือความตายความตายมันไม่มีขีดมีขั้นไม่มีวันมีคืนพอหมดลมเมื่อใดไม่ว่าผู้เล็กเด็กแดงหรือผู้ใหญ่มันก็ตายเหมือนกันมันตายไปได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชทั้งฆราวาส ตายกันด่าดืนเรามานั่งอยู่นี้ถ้าคิดกันทั่วโลกมันก็ตายไปแล้วนับทันนับหมื่นไม่ได้เพราะมันตายอยู่ทุกระยะวินาทีคนตายแต่ยังไม่ถึงตัวของเราเราก็เลยมัวเมาจะมัวเมาไปที่ไหนก็มัวเมาไปเถอะความตายมันขับไล่เขามาทุกวันทุกเวลาจะมัวเมาเปล่าคิดไปทําไม แก่จิตใจของตัวไม่ให้ประมาทส่วนใดที่ควรได้ควรเป็นควรเห็นควรรู้รีบกระทาบาเพ็ญให้เห็นให้รู้ให้พอใจภายในตัวนี่คือการขับไล่ความมัวเมาประมาทของใจเพราะที่เราจะมัวเมาไปได้ก็เพราะอาศัยว่าเราคิดว่าเราจะไม่ตายง่าย จะมีโอกาสเวลาอยู่หลายปีกว่าจะล้มหายตายไปโอกาสที่เราจะทำความดีเลยโยนไปต่างหน้ า, ะาระยะปัจจุบันทันตาเลยไม่ต่างหน้าต่างตาศึกษาไม่ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติเมื่อคิดอย่างนั้นมันปรกเป็นเรื่องประมาทในตัวองตัวผ่านจึงให้กำหนดมรณสติ คือความตายอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาควรทีกำหนดมรณสติคิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายความตายไม่มีเครื่องหมายนประกันอะไรไม่ทราบว่าวันใดเวลาใดมันจะมาถึงเราเราลึเลกเนึกอยู่สม่าเสมอความประมาเทเกิดเพลินมัวเม า, มาต่างๆมันจะหดตัวหายไปจากใจของเรา ธรรมาของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องแกะไขใจสิมัวเมาประมาทอย่างนั้นเป็นสิ่งที่แก่ไขจิตใจที่ <c oughs> ลุ่มหลงต่างๆให้ตกให้หายไปถ้าฉลาดนำมาประพฤติปฏิบัติถึงเราจะไม่ดีววเศษก่อตามแต่ความสุขความสบายภายในตัวองตัวก็จะสุขจะสบายพอเป็นไป ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะมีธรรมะธรรมะเป็นของเย็นธรรมะเป็นของสะอาดธรรมะเป็นเครื่องทรงไว้ถึงผูกประพืชปฏิบัติให้ได้รับความสุขความสบายคนที่ประพืชปฏิปบัติตามธรรมะถึงจะอยู่ในสถานที่ใดคนนั้นจะมีความสุขใจถึงเข้าของภายนอกจะไม่ สมบูรณ์แต่ถ้าว่าจิตใจสมบูรณ์โดยธรรมะท่านก็มีความสุขจึงควรรักษาหาธรรมะมาไว้ในใจของตัวไม่ใช่ว่าเราจะมีอายุยืนโยงคงอยู่คาโลกเราจะต้องตายไม่วันใดกว่าวันหนึ่งเนี่ยนอนกำหนดลมออกไม่เข้ามันก็าตายลมเข้าไม่ออกมันก็าตายไม่ว่ายิ้งว่าชายไม่ว่า เด็กผู้ใหญ่ความตายมันพอหมดลมหายใจเขาก็เรียกวคนตายเท่านั้นความตายนี้ไม่มีใครทั่วไปจะยินดีเหลื่อมใสในความตายไม่ปรารถนาไม่อยากได้แต่ก็ไม่มีทางหนีเพราะความตายนี้มันเกิดมาจากการเกิดของตัวถ้ามีความเกิดแล้วความดับ มันเป็นของขู่กันมันจะต้องดับไปในวันใดกววันหนึ่งแต่นั้นจงกำหนดจิตใจของตนให้รู้ให้เข้าใจว่าความตายนี้มันมีประจําลมออกก็เลยชื่อว่ามันตายลมเข้าก็เลยชื่อว่ามันเกิดเียงลมเข้าลมออกเท่านั้นมานั่งอยู่นี้ไม่ทราบว่ามันเกิดแล้วกี่ครั้งกี่หนตายไปแล้วกี่ครั้งกี่หน มันเกิดมันตายอยู่ทุกระยะทุกเวลาแต่สัน ต, ติความสืบต่อของมันมีมันจึงมีชีวิตเลื่อยมาถึงกระทั่งวันนี้ไม่อย่างนั้นมันก็ไปกันแล้วทุกรายมันเป็นแบบนั้นเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจะไปมัวเมาเฝ้าฝันเราจะไปเพิดเพลินกับเรื่องอะไรพอเกิดมาแล้วก็ตาย ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะลุ่มหลงพระตายไปแล้วสิ่งของที่เราหึงหวงหามาเราก็จากมันไปหลางกายที่เรายึดถือว่าเรา อ, อ่ของเรามันก็เอาไปไม่ได้สมบัติของโลกทั่วไปเราจะถอดทิ้งให้โลกไป แต่สิ่งที่ติดตัวไปทางศาสนาทางธรรมะถันถือว่ากรรมคือการกระทำของตัวดีชั่วที่เราทําลงไปด้วยกายว่ า, ายใจใจนั้นเป็นของของตัวทันจึงสอนเอาไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัย กรรมที่เราทำไปเป็นของของตนไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะแย่งชิงเอาไปได้เราทำดีไว้กรรมดีกว่าจะผิดออ ก, ออกผลให้เราทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วกว่าจะให้ผลแผลเผากายใจของตนให้เป็นทุกข์เมื่อเราทราบว่ากรรมเป็นของของตนกรรมที่ไม่เป็นสิริมงคลกรรมที่เป็นอัปปมงคลเป็นอกุศล เป็นทางชั่วทางเสียเราก็มีทางหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปทําไปพูดในสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆเมื่อเราไม่ไปทาไปถูกไปพูดไปแตะไปต้องสิ่งเหล่านั้นกรรมส่วนนั้นมันก็ไม่มาติดข้องในตัวของเรากรรมดีส่วนใดที่เราควรจะกระทําบำเพ็ญได้ถึงใจจะไม่ชอบ เราก็บังคับบัญชาให้กายวาจาใจของเราทำผุดคิดในสิ่งนั้ น, นั้นเพราะกรรมดีจะนำผลมาให้แก่ใจของเราเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารกรรมดีจะให้ผลดีคือไปเกิดสถานที่ดีมีร่างกายสวยสดงดงามไม่เป็นคนที่มีโรคใครไข้เจ็บเบียดเบียน มีความสุขทางกายมีความสุขทางใจเพราะกรรมดีให้ผลกรรมเป็นของของตนอย่างนั้นไม่ใช่คนอื่นหามาให้เราจึงควรสอนใจข้องตัวให้ละกรรมที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งกรรมที่ดีเอาไว้เมื่อเราสอนใจของเราได้อย่างนั้นการทา ความดีก็ไม่เป็นของยากของลำบากเท่าไรเพราะทำให้แต่ตัวของตัวไม่ใช่ทำให้จะบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงจะลำบากยากเย็นเราก็อดทนภาคยีรพยายามทำในกรรมที่ดีเพราะทำแล้วให้ผลเป็นสุขกรรมที่ชั่วถึงมันยากมันง่ายมันสบาย ในการกระทำข้องตัวแต่ผลรับข้องมันต่อไปเราจะได้รับทุกรับโทษจากความชั่วกรรมชั่วที่เราทําไปนั้นไม่มีคนใดจะมารับกรรมที่เราทําไปช่วงจริงออกไปจากเราได้เมื่อบันยังไม่เห็นผลแต่ตนข้องตนก็เห็นว่ากรรมชั่วมีรสหวาน ทำง่ายดื่มสบายความคิดในจิตในใจเมื่อมันให้ผลเมื่อใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนยาพิษเกลือบน้าตาลข้างนอกมีรสหวานแต่ข้างในเป็นพิษจิตใจของเราที่ไม่รู้เห็นเข้าใจชัดเจนในเรื่องของกรรมชั่วเราจึงมัวเมาเราจึงเฝ้าฝันอยากจะทํากรรมชั่วอยู่เรื่อยไป ต่อเมื่อมันให้ทุกข์ให้โทษเมื่อใดเราถึงไปบ่นเมื่อผลของมันเกิดว่าเราไม่ได้ทำชั่วทำเสียอะไรทำไมมันเป็นแบบนี้ทุกข์โทษนี้มันมาจากที่ไหนเข้าใจว่าคนอื่นโยนให้เข้าใจว่ามันมาจากที่อื่นความจริงมันเกิดขึ้นจากการกระทาข้องตนตอนทํามันยังไม่เห้ผล เมื่อมันให้ผลแล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษจึงควรหลีกควรเว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้นี่หมายถึงผู้ที่ชอบเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าไม่มีกรรมดีเป็นเครื่องสนับสนุนคนนั้นจะได้รับทุกข์โทษลำบากแต่มีกรรมดีสนับสนุน ถึงจะเกิดจะตายเหมือนเขาแต่เชื่อว่าเรามีความสุขพอสมควรเพราะทุกโทษต่างๆที่เราไม่ต้องการไม่ค่อยให้ผลแก่ตนของตนเพราะเราไม่สร้างเอาไว้มีแต่กรรมดีให้ผลโรภคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนจะทำอะไรก็เป็นไปเพื่อความ สมหวังของตัวมีหมายถึงกรรมดีให้ผลคนที่สมปราถนาไม่มีโรคภคัยไข้เจ็บเบียดเบียนเรื่องของกายคนนั้นก็สบายเป็นสุขแต่เช่อว่าหนีจากทุกจากายไปไม่ได้อีกเหมือนกันถึงวันถึงเวลามันก็ต้องตายไปแต่ก็สบายหน่อยดีกว่าจริงครับ เกิดมามีอวัยวะไม่สมประกอบเกิดมามีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มีความสุขความสบายทางกายของเขาท่านจึงสอนพวกเราที่ชอบเป็นนักท่องเที่ยวเวียนายใตายเกิดให้สะสมกรรมดีเอาไว้ส่วนผู้ที่มุ่งหวังอยากจะพ่บบนจาก ภพชาติคือการเกิดการตายนั้นพระพุทธเจ้าสอนเร่งกำหนดพินิจพิจรารณาถืออว่าชาติปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตเป็นอยู่ให้เป็นปชิมชาติคือชาติสุดท้ายจะไม่ยอมเกิดยอมตายอีกต่อไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติชำระสาสางจิตใจของตนที่คลองติดวอกวน ตามเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆพิจารณาให้เข้าถึงความเป็นจริงของมันเพราะใจเท่านั้นเป็นตัวก่อภพก่อชาติใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะพ้นจากทุกจากโทษถ้าประพฤติปฏิบัติถึงขีดสุดของมันจริงจังไม่มีอะไรที่จะมาปิดบงังแบบภพชาตินั้นจะมีอีกหรือไม่เพราะใจมัน ไปจากในตัวของตัวการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำจิตใจของพวกเราท่านให้ข้ามพ้นไปจากเรื่องพบชาติได้การเวียนเกิดเวียนตายนั้นเราเคยเกิดเคยตายมานับไม่ถ้วนแต่เธอว่าความหลงไหลในจิตในใจสัญญาอนิจจามันมีมันจำไม่ได้เช่นเรา พูดวันนี้เคยพูดมาตั้งแต่เช้าจนค่ำพูดอะไรบ้างเราก็จําไม่ได้เราเดินกีก้าวเราหายใจกี่หนเราก็จําไม่ได้ ท, ทั้งทั้งที่เราเคยเดินไปเดินมาเคยพูดจะเคยหายใจเพราะสัญญาอานิจจาความหลุ่มหลงของสัญญามันเป็นอย่างนั้น การเกิดการตายของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันเคยเกิดเคยตายมานับพบนับชานไม่ได้แต่มันก็จำไม่ได้ว่ามันเคยเกิดเคยตายบางผู้บางคนแบอบกว่าเกิดชาติเดียวอยากจะทำอะไรทำไปไม่มีอะไรที่จะให้ทุกข์ให้โทษทิ้งได้ที่มันสุกมันสบายมันชอบใจทำมันไปเถอะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีดีชั่วไม่มี มันคิดไปอย่างนี้คนที่คิดไปอย่างนี้เห็นไปอย่างนี้เข้าใจไปอย่างนี้ทางศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถ้าเห็นผิดขนาดนั้นมันไปกันใหญ่ธรรมะของพระพุธทธเจ้าไม่สามารถที่จะส่องไปถึงจิตใจของเขาเหมือนกันกับพระคิตพระจันทร์ถึงจะมีแสงสว่างสวายจ่ายอยู่ขนาดไหนแต่ในธรรในเหวที่ลึก ก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงไปถึงได้นี่ธรรมาของพระพุทธเจ้าจะเป็นคองมละเอียดควาสุขุมควาดีของประณีตขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะส่องถึงใจของคนที่มืดบอดคนพานขนาดนั้นได้เขาเห็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาเห็นไปแล้วเขาจะไม่ได้สวยกรรมที่เขาทำไป เขาทำดีทำชั่วอย่างไรเขาก็จะต้องเลยเสวยกรรมของเขาถึงเห็นไปอย่างนั่นแ่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วทำไปแล้วแต่ความชั่วมันก็เป็นความชั่วอยู่ตลอดเวลาความดีก็ทำนองเดียวกันนี่เขามืดมิดปิดบงังจิตใจของเขาเองเหมือนคนตาบอดถึงแสงสีมีอยู่ทั่วโลกมันก็มองไม่เห็น มันจึงพูดไปทํานองนั้นถ้ามันเห็นมันก็ไม่พูดไปว่าแสงสีมันมีอยู่ในโลกมันเห็นได้นี่จิตใจของคนมืดบอดแบบนั้นก็ทํานองเดียวกันพูดไปได้แต่จะให้มันเป็นจริงไปตามสิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปไม่ได้เพราะดีและชั่วมันมีอยู่แต่เราทำลงไป โดยความดีความดีกว่าให้ผลถ้าเราทาไปโดยความชั่วความชั่วกว่าให้ผลคนที่เห็นไปว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนที่เห็นไปอย่างนี้ทางศาสนาจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นความเห็นผิดคนนั้นสามารถที่จะทำชั่วเสียได้อย่างสะดวกสบายเพราะเห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีการเกิดอีก จะทำอะไรทำไปได้เป็นกรรมที่หนักยิ่งกว่าอนันตริยกรรมคือการข่าบิดามารดาทำสังฆเพศให้สงแตกกันหรือทำโลหิตุบาทข่าพระอรหันตอรหันต์นี่ท่านถือว่าอนันตริยกรรมคือเป็นกรรมหนักแต่ยังไม่หนัก เท่าคนที่มีมิจฉาทิฐิที่ถือว่าดีไม่มีชั่วไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีคนเหล่านี้สามารถหนักยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่า <c oughs> อ น, นันตริยกรรมไปอีก <c oughs> ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดในจิตในใจ <c oughs> มิจฉาทิฐิคือความเห็นผิด ถ้าเห็นผิดไปมากเท่าไรก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะเห็นว่าทำไปแล้วไม่ได้รับผลอะไรท่านจึงให้พวกเราวินิจฉัยที่นิพพิจรารณาเรื่องการกระทำบำเพ็ญในกรรมดีชั่วต่างๆจะพิจรารณาปัจจุบันทันตาก็พอจะทราบว่าบุญบาปมันยังมี ทำดีใด้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ว่าทำดีใดดีมีที่ไหนทำชั่วดีดีมีทมไปไม่เหมือนลมปากของคนที่เป็นพานอย่างนั้นเพราะทำดีนั้นผู้ที่ทำดีด้วยกายโดวยวายใจโดยใจของท่านถึงไม่มุ่งหวังอะไรจากใครทั้งหมดมุ่งจะรักษาจิตรักษาใจของตน ให้สงบวิเวกลาภภิจากทุกโทษต่างๆท่านไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยอำนาจจิตใจของท่านบริสุทธิ์จิตใจของท่านสะอาดจิตใจของท่านสว่างสวัยจิตใจของท่านสงบสุขไม่มีอะไรที่จะไปปิดบังความดีของท่าน คนที่ปรารถนาดียังมียังมองเห็นจะอยู่ในสถานที่ลำบากลำคาญกันดานขนาดไหนก็ยังมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาไปหากาววาดเพราะความดีนั้นเหมือนกันกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมถึงไม่เรียกร้องมแมลงผู้มแมลงผึ้ง ให้ไปตอมมันก็ไปเองเพราะแมลงเหล่านี้มันแสวงหาเจอสรอนดอกไม้มีอยู่สถานที่ใดมันไปพบไปเจอนี่ท่านที่ทำกรรมดีสร้างกรรมดีทำความดีเอาไว้ถึงไม่ปรารถนาเรียกร้องให้ใครมาเลื่อมใสเกี่ยวข้องแต่อำนาจความดีของท่านก็ให้ผลในปัจจุบันคือ ทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกท่านก็พอเป็นพอไปโดยที่ไม่ได้สแสวงหาด้วยอำนาจอัตธรรมภายในใจของท่านส่องแสงไปให้คนเหลื่อมใสศรัทธายินดีนำสิ่งต่างๆนานามาบูชากับท่านนี่คือกรรมดีปัจจุบันให้ผล ในคนที่สร้างความดีทำความดีกรรมชั่วก็ทำนองเดียวกันพวกเราท่านถ้าพิจารณาแล้วมันก็พอทราบได้คนที่ถูกเขาฆ่าเขาตีเขาจับเขากุมอยู่ในตารางห้องขังต่างๆไม่ใช่เขาทำกรรมดีเขามีคุณธรรม เขาขาดคุณธรรมเขาทำกรรมชั่วคนเหล่านั้นจึงได้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่ต่างๆกรรมชั่วให้ผลแก่เขาเราพอทราบได้นี่คือเรื่องจจวินิชัยให้ใจของเราทราบว่าทำดียังมีผลดีตอบแทนทำชั่วยังมีผลชั่วตอบแทน ไปไหวเขาเขากรไหวเราตอบไปตีเขาไปด่าเขาเขากรตีเราตอบดา่าเราตอบอันนี้มันเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลมันเห็นผลไปจากอยู่ในปัจจุบันนี้จะว่าดีชั่วไม่มีนั้นมันเป็นไปเมได้ททำดีไม่ได้ดีที่เขาว่ามันไม่ถูกทำชั่ว ได้ดีมันไม่มีถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของธรรมะพูดถึงเรื่องเหตุผลจริงจังแต่คนที่โกงเขาจินอย่างนั้นอย่างนี้ลารวยเงินทองเข้าของนั่นไม่ใช่ความดีนะถ้าหากเขาทําอย่างนั้นเป็นความดี โลกนี้ทำอย่างนั้นโดยการไปหมดจะเป็นอย่างไรเขาล่ำรวยโดยการโกงกินอย่างนั้นเขาเองก็มีความสุขเขาเองก็ตำหนิเขาจิตใจของเขาไม่ใช่จิตใจจะเยือกเย็นจิตใจจะสุขจะสบายเดือร้อนวุ่นวายกลัวว่าเขาจะสืบรู้ว่าเราทาชั่วทำเสียอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่ในจิตในใจของเขา เดือดร้อนแผดเผาอยู่ตลอดเวลาถ้าทำชั่วลงไฟถึงจะได้วัตถุเข้าขวางมากม็มีความสุขความสบายอะไรให้แต่เขาทำหน้าตาเฉยเหมือนเขามีความสุขความสบายความจริงแล้วภายในของเขามันร้อนมันวุ่นวายไม่มีความสุขความสงบให้เพราะเขาทาไป อัดผิดธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่าไปมองแต่ด้านวัตถุว่ามีมากโกงจินได้มีความสุขความสบายเราจะาไปมองเพียงแค่นั้นมองถึงภายในของเขาแบบเขามีความสุขความสบายจริงไหมแลีวคนที่ทําดีไม่มีเขามีของมีเงินมีทองตอบแทน แต่เธอไหวจิตใจของท่านเยือกเย็นเป็นสุกนั้นเราไม่ค่อยมองเห็นเพราะคุณธรรมภายในเป็นนา ม, มาธรรมไม่เหมือนวัตถุเราจึงมองไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ลึกมันละเอียดมันไม่เหมือนของหยาบๆภายนอกเราเลยไม่ทราบไม่เห็นแต่ความจริงมันมี พระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ท่านมีอาจมีธรรมในจิตในใจท่านอยู่ในถ้มในเขาอยู่ในป่าในดงลึกๆที่อยู่ที่อาศัยก็ก็ท่อมห่อมหอเล็กๆหน่อยน้อยที่นั่งที่นอนก็ไม่รู้หลางงามตาอะไรแต่จิตใจของท่านเยือกเย็นจิตใจของท่านเป็นอาจเป็นธรรมท่านสบายไม่วุ่นวายกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงไม่มีท่านก็ไม่ อยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่เกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดเพราะความอยากท่านจึงสุขท่านจึงสบายเยือกเย็นแต่เรามองไม่เห็นว่าท่านสุกท่านสบายเพราะเราเคยติดเคยข้องเคยศึกษาเคยได้เห็นได้ฟังมาว่าคนที่มี เข้าของเงินทองมากมายกลายกองอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนดีเป็นคนมีความสุขไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของภายนอกถ้าใจไม่สุขใจไม่สบายแล้วเข้าของจะมากมายหลายหลวงขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเยือกเย็นที่จะสุขได้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อน เพราะใจมันไม่สุขใจมันไม่สบายไม่มีอะไรแต่ใจมันสุขใจมันสบายมันสบายได้มันสงบได้มันเย็นได้ดูพระพุทธเจ้าตอนเป็นกษัตริย์ก็มีทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่สรรเนริญความสุขส่วนนี้มีความสุขเพียงพอถ้าเพียงพอท่านก็ไม่เสด็จพิเนะกรมสแสวงหาทมถี่ผลทุกข์ เคยหลายท่านหลายคนในประวัติที่มีความร่ำรวยในทางโลกอย่างยาสากุลระบรุหรือพรัรบาลก็เป็นเศรษฐีมั่งมีเข่าของทุกอย่างแต่ก็ไม่สุขไม่สบายให้เพราะใจมีกิเลสตัณหามีโลคโกงลงเป็นเครื่องแผลเถา ท่านไม่ยินดีไม่เต็มใจในวัตถุเข้าของเหล่านั้นมีแต่อยากจะออกเพื่อปฏิบัติกำจัดจิตใจที่โลภโกรธหลงอยู่ภายในให้หมดไปให้สิ้นทุกข์ถ้าจิตไม่ยินดีจิตไม่จิดข้องไม่ชอบไม่พอใจในวัตถุแล้ว วัตถุนั้นมันจะมีมากขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะทํำให้จิตใจเป็นสุขได้พอจิตไม่หลงไม่เกี่ยวข้องพิ่ใจนาที่ท่วนตามเป็นจริงวัตถุก็เป็นแต่เพียงวัตถุเราไม่ได้มันมามันก็เคยมีอยู่ในโลกอันนี้เร า, าแสวงหามาได้จะหึงหวงขนาดไหน ได้มาแล้วเราก็หาหามไปอีกไม่ได้สมบัติของโลกเป็นเรื่องของโลกอยู่ตลอดมาอย่างนี้ไม่มีใครหอบเหี่ยวหาหามไปได้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นจึงไม่ติดข้องจึงไม่มัวเมาจึงไม่ลุ่มหลงในวัตถุอันนั้นหยุดใจจึง ม, มีความสุขความสบายเพราะวัตถุที่มีอยู่ แล้วกำจัดจิตใจไล่ความลุ่มลหลงกิเลสปันหาภายในออกไปด้วยฟัญญาศึกษาจิตใจของตนด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดทินิพิจารณาจริงต่างๆให้รู้ทั่วตามเป็นจริงของมันจิตใจที่เคยว่าวุ่นติดข้องต่างๆ สงบเย็นลงไปเขาใจเห็นจริงในสิ่งต่างๆต่างๆเป็นจริงของมันเพียงจิตสงบเท่านั้นมันก็มีคุณค่าสาระมากไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายจะประเสริฐวิเศษเท่ากับความสงบของจิตของใจจะมีปราสาทวิมาน ใหญ่โตขนาดไหนมีเขาของเงินทองมากมายเท่าไรมันก็ไม่เหมือนความสุขของจิตสงบท่านจึงยินดีในการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมของท่านพอเห็นสมบัติที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นของที่มีคุณค่าสาระมากกว่าสมบัติที่ ผู้คนทั้งหลายสะสมสแสวงหาลุ่มหลงกันในโลกท่านเห็นท่านเป็นในจิตของท่านไม่ใช่คนอื่นบอกให้เห็นท่านเห็นจากการกระทำบําเพ็ญของท่านท่านจึงเย็นจึงสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่คือการประพฤติปฏิบัติทางอาัตทางธรรม มีความสุขความสบายความเยือกเย็นภายในใครตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติได้จึงไม่มีอะไรวุ่นวายก่อควนตัวเองเมื่อไม่ก่อควนตัวเองตัวเองไม่มีทุกข์คนอื่นทั่วไปเขาก็มาให้ทุกขแ์แกท่านไม่ได้เพราะใจของท่านไม่รับทุกข์ไม่ติดทุกข์ ไม่ก่อทุกข์เผาตัวเองนี่เราไมา่อย่างนั้นเราเป็นทุกข์โลกก็เลยเป็นทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวข้องมันก็เป็นทุกข์ไปใจมีกิเลสใจมีสัณหาอุปาทานยึดตัวอย่างเดียวทั่วโลกมันก็ยึดเอา อะไรคือดีที่ควรยึดมันก็น่ายึดก็คอยยังชั่วแต่ชั่วที่ไม่หน่ายยึดมันก็ยังยึดมาจนร้องไห้น้ำตาไหลมันก็ยังยินดีพอใจยึดมบบเป็นของของมันมันโง่หรือมันฉลาดมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือจิตใจ พวกเราท่านที่ไม่สำาักสารไม่มีปัญญาถั่วถึงในเรื่องต่างๆของธรรมะมันยึดไปได้มันถือไปได้ทั้งดีชั่วผิดถูกต่างๆแต่นั้นการปฏิบัติจิตใจภายในนั้นเพื่อให้เกิดปัญญารู้ตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆแล้วจะได้ละได้ถอน สิ่งที่มันคล้องจิตคิดปุงนังนนั้นให้ตกออกไปจนตลอดถึงเรื่องของใจตัวเองที่ว่ามันพองใสมันเยือกเย็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันบางทีก็ยังไปหลุ่มไปหลงไปติดไปคล้องในสิ่งที่ตัว ไม่ชอบมันเป็นไปได้ถ้าหากจิตละเอียดพิจารณาทั่วถึงจริงจังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยังจิตข้องยังสงสัยเราไม่ควรไหวใจต้องพิจารณาให้ทั่วถึงในสิ่งเหล่านั้นจนจิตใจที่เคยเ่ยวข้องเคย ว, วนตามเรื่องต่างๆนั้นรู้ไปจากในตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องของโลกสิ่งที่พ้นไปจากอันนี้มันเกิดขึ้นมันยิ่งสาบดีว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกอยู่ในโลกสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของโลก เราจะต้องใช้เหมือนยังมีชีวิตเป็นอยู่แต่สิ่งที่มารู้เรื่องเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเข้าใจอีกว่าอันนี้ไม่มีสมมุติอันใดไม่มีทางที่เจรละจะบำเพ็ญอีกอยู่ไปกี่หมื่นกี่แสนปีความดีความชั่วที่เจรละจะบำเพ็ญไม่มีคือความบริ ส, สุทธ ที่เป็นมิมุดของใจทราบนี่คือมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นด้วยการกระทำบำเพ็ญมันรู้เห็นเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงหมดากาะทังกระถาคือความสงสัยปัญหาของใจทั่วไปใครจะสรรเสริญชมเชยขนาดไหนใจก็ไม่เห่อไม่หลงใครจะนินทา ว, า, าว่ากล่าว ขนาดไหนใจก็ไม่ฝ่อไม่เดือดร้อนความจริงที่บริสุทธินั้นเป็นความบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่วันรู้จนตลอดวันตาไม่มีการหายไปที่ไหนอีกเมื่อมันบริสุทธิ์อย่างนั้นจะไปหาอะไรกันอีกจะไปทำอะไรอีกจะไปำํำระที่ไหน จะไปบำเพ็ญให้มันเป็นอย่างไรท่านทราบนี่คืออานิสงส์คือที่สุดของผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของท่านเมื่อไปถึงจุดนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะติดข้องไม่ว่าเรื่องเข่าของภายนอกหรือเรื่องของถาดของขันมันหมด สิ่นไปทุกสิ่งทุกอันถ่านจึงมีความสุขอยู่ตลอดกาลอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่านัตถิสันติปาลังสุขขังคือความสงบของจิตของใจที่พ้นไปจากสมมุติจากโลกไม่มีความสุขใดจะไปเสร็จวิเศษขนาดนั้น เพราะไม่มีวันมีคืนไม่มีการละการมำเพนอย่พูดถึงความสุขความเยือกเย็นนั้นถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็นมันก็ไม่ทราบว่ามันเยือกมันเย็นมันสุขมันสบายอย่างไรเหมือน ก, นกันกับคนที่ไม่เคยเห็นนาแข็งไม่เคยจับนำแข็งว่ามันเย็นอย่างไรจะอธิบายให้เขาฟังว่ามันเย็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่ทราบ เพราะเขาไม่เคยสัมผัสหรือคนที่มีจกักษุบอดมาแต่กําเนิดจะอธิบายแสงสีขนาดไหนให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นนี่ความสุขที่พระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าท่านเจนท่านรู้ท่านก็ทราบเฉพาะเรื่องของท่านจะอธิบายไปก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้คนทั่วไปเห็นรู้ได้ นอกจากเขาเหล่านั้นจะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติตัวของเขาจนไปถึงจุดนั้นเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยพระพุทธเจ้าบรินิพพานไปกี่ล้านกี่แสนองค์ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ถ้าอาริยเจ้าที่เป็นอรหรันตอาหารหันต์เหมือนกันหมดไม่มีองค์ใดที่จะยิ่งจะหย่อนกว่ากันความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมด ในปัจจุบันหรืออนาคตข้างหน้ามันก็เป็นเหมือนกันหมดถ้าสำรัยจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่มีอะไระผิดแตผิดแตกแตกต่างกันท้าหายสงสัยไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะเราเห็นเราเป็นในตัวของเราเข้าใจเด่นชัดอย่างนั้น ยังไม่มีอะไรที่จะละจะบําเพ็ญต่อไปนี่คือจุดหมายปลายทางของศาสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนอเแล๋ยความเป็นความเห็นอย่างนั้นพวกเราท่านมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถ้าไม่มีทิ่งเลตตันหาอยู่ในจิตในใจก็ไม่ทราบว่าธรรมะจะมีคุณค่าสาระอะไร ็ทาํามะมารักษามาแก้ไขกิเลสตัณหาเหล่านี้เพื่อความบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนั้นเหมือน ก, นกันกับคนที่มีโรคจำเป็นจะต้องหายามารักษาเพื่อความหายจากโรคถ้าคนไม่มีโรคยาก็ไม่จำเป็นคนไม่หิวก็ไม่จำเป็นที่จะทานจะดื่มแต่เมื่อหิวมามันจำเป็น จะต้องทาไ ม, ม่อย่างนั้นมันก็ไม่อิม่มเกินโรคมาผู้จาเป็นที่จะหายามารักษานี่จิตใจของพวกเราท่านมันก็ทำนองเดียวกันเนื่ไม่มีอะไรเกิดทุกข์เกิดโทษมาก็ไม่ทราบว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายเมื่อมันเกิดทุกข์เกิดโทษมาจึงทราบว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้จึงสแสวงหาธรรมะ มาแก้ไขเพราะความเดือดร้อนวุ่นวายมันมีอยู่ที่ใดความเย็นความสบายมันก็จะมีอยู่ที่นั้นเมื่อดับความเดือดร้อนไปได้มันจำเป็นสำหรับคนที่มีโรคยาธรรมากว่าจำเป็นสำหรับคนที่มีกิเลสแต่คนหมดกิเลสแล้วมันก็หมดความหมายแต่นั้นเราทุกคน ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติรักษากายว า, ายใจคงตนชอบเวียนว่ายตายเกิดมีความสุขความสบายตามฐานาหน้าที่ก็พึงสะสมกรรมดีเอาไว้เมื่อตายไปจะไม่ผิดหวังชอบความพ้นทุกข์ไม่ชอบจะมาเวียนว่ายตายเกิดต่อพบต่อชาติอีก ก็เพิ่งตั้งใจปฏิบัติให้ถึงที่สุดวิมุตอย่างที่อธิบายมามันพอไปได้ไม่เหลือวิสัยถ า, ากตั้งใจจะทาเว้นเสียแต่เราไม่ตั้งใจอยากแกะทำแต่อยากจะได้ความดีคนทั่วไปต้องการอยากดีทางนั้นแต่คนทำดีมันหายาก มันสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ยทำดีอยากไดดีทำชั่วอยากใดดีมันเป้นไปไม่ได้รีบที่นี้พี่ารณารีบศึกษารีบต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติโอกาสเวลาที่ไม่มีโรคภัยใค่เจ็บเบียดเบียนรูปเสียงเรื่องราวต่างๆ ไม่ก่อควรจิตใจจนเกินไปแต่ฐานที่สงบสงัดเสี่ยงภายนอกไม่ค่อยลบกวน ร, ระวังรักษาจิตใจภายในอย่าให้ปุ่งไปสูเรื่องนอกสำรัจิตใจของตนสัญญาอารมณ์ของตนให้สงบละ ง, งับทินที่เจนาหาความสุขของใจ ให้เห <muitas> <arias> ็นให้เป็นขึ้นอย่าไปคิดว่าความสุขมันอยู่กับวัตถุเท่าของต่างๆนานาความสุขท้องใจนั้นมันอยู่ในอัตในธรรมที่เรารู้เราเห็นเราชอบความสุขปรารถนาความสุขเราต้องแสวงหาเราต้องตั้งหน้าจะทํา อารมณ์สัญญาที่มายู่ยุก่อกวรว่ามันเกิดทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วว่าอารมณ์สัญญานั้นนั้นมันมาก่อกวนจิตใจให้เกิดทุกข์อย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปติตตามหากห้ามเอาไว้ถ้าฉลาดถ้าเข้าใจพอที่จะรักษาใจของตัวได้าหาความสงบความสบายความสุขได้มีการประพฤติปฏิบัติ เรื่องอาจธรรมของพระพุทธเจ้าคนอื่นปฏิบัติท่านก็ได้รับอั น, นิสงจากการกะรทำบำเพ็ญของท่านเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดอั น, นิสงอะไรแต่นั้นทุกท่านที่ต่างหน้าต่างตามุ่งหวังในความสุขความสงบชื่นต่างหน้าประพฤติปฏิบั ต, บติกำหนดจิตกาหนดใจภายในของตนเมือทุกคน ต่างหน้าต่างตารักษามีสติมีปัญญาซ้อนใจก็จะมีความสุขความเจริญตามความมุ่งหวังของตนการอาธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจะเวลาพอยุติเพียงแค่นี้เอวัง